สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ครบรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติแต่เรื่องที่จะนํามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของทนนาธาบิตบิดาเศรษฐีอุบาสกที่ได้เล่าค้างไว้และเรื่องที่เล่าค้างไว้ในตอนที่แล้ว ก็เล่ามาถึงตอนที่เทวดามิจฉาทิฏฐิได้เข้าไปเฝ้าท้าวสกกะเทวราชเพื่อต้องการที่จะให้พระองค์ช่วยพยพูดกับท่านนาถวิตดคาเศรษฐีเพื่อขอให้ตนได้กลับไปอาศัยอยู่ที่ส้มประตูที่สี่ตามเดิมแต่ท้าวสกกะเทวราชก็ตรัส ก, กับเทวดามิจฉาทิฏฐินั้นว่าถึงเราก็ไม่อาจกล่าวกับท่านเศรษฐีได้ เพราะเหตุที่ท่านกล่าววาจาที่ไม่สมควรแล้วนั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าเราจะบอกอุบายให้แก่ท่านสักอย่างหนึ่งเทวดาพอได้ฟังพรามรัตของท้าวส ก, กะเทวราชก็รีบกราบทูลรับว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสบอกอุบายเถิดพระเจ้าค้ท้าวส ก, กเทวราชตรัสบอกอุบายเยาวิธีว่า ท่านจงกลับไปแล้วจงแปลงเพศเป็นเสมียนของท่านเศรษฐีให้ใครนำหนังสือสัญญากู้เงินจากมือของท่านเศรษฐีมาแล้วนำไปหาลูกหนี้ให้ชาระหนี้เงิน18โกดกหาปณ ะ, ะที่พวกค้าขายกู้ไปด้วยอนุภาคของตนและนำมาบรรจุไว้ในห้องเปล่าให้เต็มซับย์18โกฎกหาปณะนะ ที่จมลงในมหาสมุทรนั่นก็ดีและทรัพย์อีกสิบแปดโกฎกรหาปณ ะ, ะส่วนอื่นโดยหาเจ้าของมิได้มีอยู่ในสถานที่โน้นก็ดีท่านจงรวบรวมทรัพย์ทั้งหมดเหล่านั้นนำมาใส่ไว้ให้เต็มในห้องเปล่าของทนนาถวินทิกาเศรษฐีครั้นท่านทำตามอุบายวิธีนี้ให้เป็นธนกรรมคือการลงโทษแล้ว จึงขอเข้ามาต่อท่านเศรษฐีเทวดากราบทูลรับว่าดีแล้วพระเจ้าข่าแล้วลงมือกระทําตามอุบายวธิธีทุกอย่างที่ท้าวสากตะเทวราชตรัสบอกแล้วได้กระทําห้องอันเป็นสิริของท่านเศรษฐีให้สว่างสวยดํารงตนลอยอยู่ในอากาศเพื่อกระทํานิมิตหมายให้ท่านเศรษฐีเห็นธนาน า, าถมีตะเศรษฐีถามว่า นั่นใครนะ่ะเทวดาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาอันธพานคําว่าอันถานนี้ก็แปลว่าโง่เป็นคนตาบอดหรือคนเกกะระรานอาศัยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สีของท่านถ้อยคําที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสํานักของท่านด้วยความเป็นอันพานขอท่านจงยกโทษความผิดนั้นให้แก่ข้าพเจ้า ด, ด้วยเถิดเพราะข้าพเจ้าได้ลงธนกรรม ด้วยการรวบรวมทรัพย์5 4ีโกฎกหาปณะมาบรรจุไว้เต็มห้องเปล่านั้นตามพระบัญชาของเท้าสักกะเทวราชข้าพเจ้าเมื่อมาได้อาศัยอยู่ที่ซุ้มประตูของท่านย่อมด้รับความลำบากมากท่านานาถบิธิกะเศรษฐีตรึกตรองว่าเทวดาองค์นี้ได้กล่าวว่าธนากรรมคือการลงโทษอันข้าพเจ้าได้กระทาแล้ว นับว่าเป็นผู้รู้สำนึกในความผิดของตนเราจะนำเทวดาไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเศรษฐีคิดดังนี้แล้วจึงนำเทวดาไปที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าและกราบทูลกรรมที่เทวดากระทําแล้วทั้งหมดให้ทรงสดับฝ่ายเทวดาจึงหมอบกราบด้วยเสียงกล่าวลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าและกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ไม่รู้จักพระคุณทั้งหลายของพระองค์ได้กล่าวถ้อยคําอันชั่วช้าเพราะความเป็นอันธพาลขอพระพุทธองค์ทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระองค์เนื่องจากการกล่าวถ้อยคําที่ไม่สมควรด้วยเถิดพระเจ้าค่ะครั้เทวดากราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอดโทษแล้วจึงให้ธนนาถบิติกะเศรษฐีอดโทษให้ในภายหลัง พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสั่งสอนท่านเศรษฐีและเทวดาด้วยอำนาจวิบาก ค, คือผลแห่งกรรมดีและชั่วก็หมายถึงผลของกรรมดีชั่วที่ทำไว้ในปางก่อนจึงตรัสว่าดูก่อคารหบดีแม้ว่าบุคคลผู้กระทำบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาป ของเขาให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วจริงแท้ฝ่ายบุคคลผู้กระทําความดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมดีของเขาให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริงๆเมื่อพระองค์จะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถา คือคำประพันธ์เป็นธรรมะเหล่านี้ว่าแม่คนผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีตลอดการที่บาปยังไม่ให้ผลเมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วฝ่ายคนทํากรรมดีย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วตลอดการที่กรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดี พระอัตคชาจารย์ได้อธิบายความหมายคำบางคำไว้ความว่าบุคคลผู้ทำบาปกรรมทางกายขวาจาใจบุคคลผู้นั้นขณะยังได้รับความสุขที่เกิดด้วยอำนาจหรืออนุภาพแห่งกรรมดีที่ทำไว้ในอดีตชาติอยู่ยอมเห็นบาปกรรมว่าดีและบาปกรรมของเขายังไม่ให้ผลในปัจจุบันชาตินี้หรือใน สัมปรายภพคือพบหน้าหรือชาติหน้าผู้ทำบาปย่อมเห็นบาปว่าดีเสมอแต่เมื่อใดบาบกรรมของเขาให้ผลในปัจจุบันชาตินี้หรือในสัมปรายภพเมื่อนั้นผู้ทำบาปขณะถูกลงทันต่างๆในปัจจุบันชาติและทุกในอบายในสัมปรายภพอยู่ย่อมเห็นบาปว่าชั่วทายเดียว บุคคลผู้ประกอบกรรมดีมีสุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่าผู้ทำกรรมดีคนทำกรรมดีนั้นขณะได้รับทุกที่เกิดขึ้นด้วยอนุภาพแห่งทุจริตในปางก่อนย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วและถ้ากรรมดีของเขายังไม่ให้ผลในปัจจุบันชาตินี้หรือในสัมราริยภพคือในชาติหน้าตราบใดคนทำกรรมดี ย่อมเห็นกรรมดีเป็นชั่ว อ, อยู่ตราบนั้นแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นคนทำกรรมดีขณะได้รับสุขที่อิงอมิตรมีลาลพสการะเป็นต้นในปัจจุบันภพบคือในพบนี้หรือชาตินี้และสุขที่อิงอมิตรอิงสมบัติอันเป็นทิพในสัมปรายภพย่อมเห็นกรรมดีว่าดีจริง พระพุทธเจ้าทรงเทศนาจบเทวดานั้นได้สําเร็จโสดาปฏิผลเป็นพระโสดาบันคือเป็นพระรยบุคคลชั้นต้นและพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่บริษัทผู้มาประชุมกันนี่ก็เป็นอันว่าธนนาถาบิติกเสฐีก็ได้ช่วยให้เทวดามิจฉาทิฏฐิกลับกลายมาเป็นสมาทิฐิและยังได้ สเปดลักผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาอีกด้วยท่นานนาถาบิธิกาเศรษฐีได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณาเทศนาโปรดโดยมีเรื่องอยู่ในบาลีคำมพีอังคุตตรนิกายจตุกนิบาทแห่งปัตกรรมวัคที่สองดังนี้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารวัดที่ท่านานาถบิิกษเศรษฐีสร้างถวายไว้ในกรุ่งสาวตถีครั้งนั้นท่านานาถบิิกษเศรษฐีได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วจึงนั่งลงในที่ที่สมควรส่วนครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกรคาราบุดีสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ ที่หาได้ยากในโลกนี้มีอยู่สประการคือปรารถนาว่า 1. ขอให้พภคขรัพย์จงเกิดแก่เราโดยชอบทำเถิด 2. ขอยศจงเกิดแก่เราผู้ได้พภคขรศัพย์แล้วพร้อมด้วยญาติและมิตรายเถิด 3. ขอเราผู้ได้พภคขรศัพย์ได้ยศแล้วพร้อมทั้งญาติและมิตรายจงรักษาอายุให้ยั่งยืนนานเถิด ขอเราผู้ได้โภคทรัพย์ได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิสหายรักษาอายุให้ยั่งยืนนานแล้วเมื่อตายแล้วขอเราได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เถิดรวมเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจที่หาได้ยากในโลกนี้สประการด้วยกันดูก่อนก ร, รา บ, บดีธรรมส4ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สิ่งที่หาได้ยาก4ีประการธรรมะสี่ประการมีอะไรบ้างธรรมะ4ประการได้แก่ 1. ศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อถือ 2. สองศีลสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศีลสามจาขะสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานสี่ปัญญาสัมปทา คือถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความรอบรู้ดูก่อนคราบดีศรัท ธ, ธาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศรัท ธ, ธาหมายความว่าอย่างไรหมายความถึงการเชื่อพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอระหันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชารจรณะ เสร็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกคนที่พึงฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาคือครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตรัสรู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี่เรียกว่าศรัท ธ, ธาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศรัท ธ, ธาเรื่องการระลึกถึง พระปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะใช้บทภาษาเบรีว่าอิติปิโสภควาไปจนกระทั่งถึงพุทโธภควาติก็ได้นี่ก็เป็นการกล่าวสารรเสริญพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเหมือนกันศีลสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยศีลหมายความว่าอย่างไรหมายความถึงการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์ งดเว้นจากการประพฤติผิดในลูกและภรรยาของผู้อื่นงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจาระสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานหมายความว่าอย่างไรหมายความถึงการอยู่ครองเรือนด้วยใจอันไม่มีมนทินคือความตรณีหรือความหงษ์แหนมีการเสียสละ มีฝ่ามืออันชุม่มคือล้างมือเตรียมไว้ให้ทานยินดีในการให้ทานการทําตนให้สมควรแก่การขอการยินดีในการจําแนกแจกทานปัญญาสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยปัญญาหมายความว่าอย่างไรหมายความถึงบุคคลผู้มีใจถูกความโลภคือความอยากได้ครอบงําแล้ว ถูกพยาบาทคือความคิดร้ายต่อผู้อื่นครอบงำแล้วถูกถีนมิทะคือความที่จิตหดหูและเสื่องซึมครอบงำแล้วถูกอุทธธจักกุกกุจจคือความฟุ้งซ่านและราคาญครอบงำแล้วถูกวิจิกิจฉาคือความรังเลสงสัยครอบงำแล้วย่อมทำสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ไม่ทำสิ่งที่ควรทำ เมื่อทำสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ไม่ทำสิ่งที่ควรทำก็กำจัยดยศและความสุขไปเสียดูกนพรหบดีอริยสาวกรู้ว่าความโลภเป็นสิ่งเศร้าหมองของจิตก็ละความโลภเสียได้รู้ว่าความพยาบาทเป็นสิ่งเศร้าหมองของจิตก็ละความพยาบาทรู้ว่าถีนมิทะ เป็นสิ่งเศร้ามองของจิตก็ละถ are, ีนามิทะรู้ว่าอุทจักกุกกุจจเป็นสิ่งเศร้ามองของจิตก็ละอุทจักกุกกุจจรู้ว่าวิจิกิจฉาเป็นสิ่งเศร้ามองของจิตก็ละวิจิกิจฉาเสียได้เพราะเหตุที่พระเรยสาวกพระความโลภความพยาบาทถีนามิตทะอุทจักกุกกุจจวิจิกิจฉาเสียได้จึงเรียกว่า เป็นผู้มีปัญญาคือความรอบรู้มากมีปัญญากว้างขวางเป็นผู้เห็นทางเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาดูก่อนคาระหโมดีอริยสาวกย่อมทำสิ่งที่ควรทำสี่ประการด้วยโภะัสัพที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร ที่สะสมด้วยกำลังแขนที่ทำจนเหงื่อไหลโทมกายประกอบในธรรมจริงได้มาแล้วโดยชอบธรมสิ่งที่ควรทำสี่อย่างนี้ได้แก่สิ่งใดคืออริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ได้พอ่อข้อทรัพมาด้วยความขยันมันเพียรด้วยการสะสมด้วยกำลังแขนด้วยการทำจนเหงื่อไหลโทมกาย จึงได้โภคทรัพย์มาโดยชอบทำหนึ่งได้โภคทรัพย์มาโดยชอบทำแล้วเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขเลี้ยงมารดาบิดาให้เป็นสุขเลี้ยงบุตรภรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขเลี้ยงมิตรและอมตะให้เป็นสุขสองได้โภคทรัพย์มาโดยชอบทำแล้วย่อมป้องกันอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟจากน้าจากผราชาจากโจร จากผู้ที่เกลียดชังกันจากทายาทผู้ที่ร่วมมรดกกันทำตนให้สวัสดีจากภัยทั้งปวง 3. ได้พภคทรัพย์มาโดยชอบธรรมแล้วกระทำพรีกรรม5อย่างคือ 1. ญยาติพรีได้แก่สงเคราะห์ญาติ 2. อ, อติทิพีได้แก่ต้อนรับแขก 3. บุพเพตะพลีได้แก่ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย 4. ราชพลีได้แก่ถวายเป็นของหลวงมีเสียภาษีอากรเป็นต้น 5. เทวตาพลีได้แก่ทำบุญอุทิศแก่เทวดา 4. ได้โภกรั์มาโดยชอบทำแล้วบริจาคแก่สมณพราหมณ์ผู้งดเว้นจากความประมาทโมเมา ผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติคือความอดทนและโสระจะคือความเสงี่ยมผู้ฝึกหัดตนผู้สงบตนผู้ดับ ก, กิเลสในตนดูก่อรครหะบดีอริยสาวกนั้นชื่อว่าเป็นผู้กระทาสิ่งที่ควรกระทำสี่ประการโดยโภกทรัพท์ที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรที่สะสมด้วยกำลังแขนที่กระทาจน เงื่อไหลโสมกายประกอบในธรรมจึงได้มาโดยชอบธรรมดูก่นคารหบดีพวกทศัพท์ของผู้ใดถึงความสิ้นไปโดยเหตุอื่นนอกจากสิ่งที่ควรกระทำสีประการนี้พวกทศัพท์ของผู้นั้นเรียกว่าสิ้นเปลืองไปโดยมิใช่เหตุสิ้นเปลืองไปโดยไม่สมควรใช้ใจ่ายในทางที่ไม่ถูกต้องส่วนโภกทศัพท์ของผู้ใด ถึงความสิ้นไปด้วยการกระทําสิ่งที่ควรกระทําทั้งสี่ประการนี้โภคซัพย์ของผู้นั้นเรียกว่าสิ้นเปลืองไปโดยเหตุอันควรสิ้นเปลืองไปโดยสถานที่ควรใช้ใจ่ายในทางที่ถูกต้องครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถาคือคําประพันธ์เป็นธรรมะเหล่านี้ว่า พวกทรัพย์ทั้งหลายเราได้บริโภคแล้วบุคคลที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วเราได้ข้ามพ้นอันตรายทั้งหลายไปแล้วทักษินาคือของทําบุญมีผลอันเลิศเราได้ให้แล้วอันหนึ่งภาริกำห้าประการเราได้กระทําแล้วท่านผู้มีศีลสํารวมอินทรีย์ประพฤติพรหมจรรย์ เราได้บำา u ุงแล้วบัณฑิตยอยู่ครอบครองเรือนพึงปราถนาพภอข้าศึกเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นเราได้ถึงแล้วโดยลำดับกรรมที่ไม่เดือดร้อนในภายหลังเราได้กระทำแล้ว น, นรชนผู้จะต้องตายเมื่อคำนึงถึงเหตุนี้เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมของพระริยะบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญ เขาในโลกนี้ครั้นเขาตายจากโลกนี้ไปแล้วเขาย่อมบันเทิงในสวรรค์การปรารบเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหาโอกาสที่จะกระทาบุญกุศลให้เกิดผลดีแก่ผู้กระทาดีทันานาถวิติกาเศรษฐีได้กระทาไว้เป็นนิทัศนะอุทาหรณ์มีเรื่องอยู่ในคำพีมังคลาตทิปนีหรือมงคลละสุดคาว่ามงคลละตร ก็ว่าโดยสิ่งที่นําความสุขความเจริญมาหรือว่าด้วยเหตุที่นํามาซึ่งความเจริญอยู่ในบทที่11ว่าโดยการบํารุงเลี้ยงมารดาบิดาดังมีเรื่องเล่าว่าหญิงพี่เลี้ยงของเด็กหญิงผู้เป็นหลานสาวของธนนานาถบินิกาเศรษฐีนางเอาแป้งปั้นเป็นตุ๊กตาแล้วให้แก่เด็กหญิงนั่นพร้อมกับกล่าวว่า ดูจงถือตุ๊กตานี้เล่นเถอะนะฝ่ายเด็กหญิงนั้นทําความเข้าใจในตุ๊กตาแป้งนั้นว่าเป็นลูกสาวของนางแล้วเล่นอยู่วันหนึ่งขณะที่เขาเล่นตุ๊กตาแป้งอยู่ตุ๊กตาแป้งนั้นพลัดตกแตกเพราะความพลั้งเผลอเขาจึงร้องไห้ว่าลูกของฉันตายเสียแล้วลูกของฉันตายเสียแล้ววันนั้นพระบรมศาสดา ประทับอยู่ในเรือนของทา น, อนานาทะิติกะเศรษฐีและแม่ท่านเศรษฐีก็นั่งเฝ้าอยู่ในที่ใกล้พระบรมศาสดาหญิงพี่เลี้ยงอมเด็กหญิงผู้ร้องไห้อยู่ไปหาทา น, นานาทะิติกาเศรษฐีและเล่าเรื่องนั้นให้ท่านเศรษฐีทราบท่านเศรษฐีให้เด็กหญิงหลานสาวนั่งบนตักและพูดปลอบว่าตาจะถวายทานเพื่อ อ, อุทิศ แก่ลูกสาวของหลานแล้วท่านเศรษฐีจึงกราบทูลความนั่นแด่พระบรมศาสดาและกราบทูลนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ประสงค์จะถวายทานอุทิศแก่ตุ๊กตาแป้งที่เป็นลูกสาวของหลานสาวแห่งข้าพระองค์ขอพระองค์พร้อมทั้งพระภิสุสงห์500รูปเป็นบริวารทรงพระกรุณา โปรดรับเพื่อสวยพระกยาหารในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงรับการกราบทูลนิ ม, มนต์แล้วในวันที่สองพระองค์ได้เสด็จไปที่เรือนของท่านอนาถบิดาเสถีพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ห้าร้อยรูปและหลังจากพระองค์สวยพระกยาหารเสร็จแล้วเมื่อพระองค์จะทรงกระทาอนุโมทนาคาว่าอนุโมทนาก็คือยินดีด้วยหรือรอยินดี จึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลผู้ไม่มีความตรนีกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์ปราลรบรรพชนที่ตายไปแล้วเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในที่ทั้งหลายหรือท้ามหาราชผู้เป็นโลกบาลที่มียศทั้งสี่คือ ท้ากุเวนท้ากุเวนนี้คือมือชื่อว่าทาเวสวรรณหรือทาเวสวรรณ 2. ท้าวท่าตรศ 3. าท้าววีรูปัก 4. ีท้าววีรุณหกและพึงถวายทานบนรรพชนและเทพพยายดาเป็นต้นเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ที่เขาบูชาแล้วและเขาผู้เป็นทายกคือผู้ให้ย่อมไม่ไร้ผลการร้องไห้ความเศร้าโศก หรือความคร่ำควรวญอย่างอื่นก็ดีใครๆไม่ควรกระทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ชนผู้ที่ตายไปแล้วญาติทั้งหลายก็คงดำรงอยู่อย่างนั้นอันว่าทักษิณาคือของทา บ, บุญนี่แหละที่ท่านให้แล้วชื่อว่าตั้งไว้ดีแล้วในสง์ย่อมสร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้ว ตลอดการนานตามฐานะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ท่านอนาถวิติรีเศรษฐีท่านได้ทําบุญอุทิศให้แก่ตุ๊กตาแป้งแต่ว่าการอุทิศส่วนกุศลนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญแต่ส่วนสําคัญอยู่ที่การปรารบเพื่อกระทําบุญนั้นถือว่าเป็นเหตุที่สําคัญในทางพระพุทธศาสนาถือว่า การปรารบเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อกระทําคุณงามความดีนั้นเป็นหลักใหญ่ในพระพุทธศาสนาท่านการทิทา น, นาถาิบิดกะเศรษฐีปรารบตุกตาแป้งเหมือนหนึ่งว่าเป็นคนที่ตายจากไปแล้วกระทําบุญอุทิศให้แก่ตุกตาแป้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรับมิมนในการกระทําบุญนั้นก็จึงถือว่าเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่ง ของการที่จะกระทำคุณงามความดีอะไรก็ตามถ้าเราปรารบเพื่อจะกระทำบุญกุศลการปรารบให้เรื่องความดีแล้วกระทำบุญกุศลนั้นถือว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาท่านอนาถาบิดตะเศรษฐีใช้อุบายวิธีกระทำให้ลูกชายของท่านเข้าวัดได้สำเร็จผลตามความตั้งใจ โดยมีเรื่องราวปรากฏอยู่ในอัตกถาคำพีธรรมบทแห่งโลกวั์ในเรื่องนายกาละผู้เป็นบุตรของท่นอนาถบินทิกาเศรษฐีว่าสมัยเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดประเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตรีทรงปราพนายกาละบุตรของทนอนาถบินติกาเศรษฐีและตรัสประธรรมเทศนาโปรดประชาชนในครั้งนั้นด้วย นายกาละผู้เป็นบุตรของท่านอนาถบิดิกาเศรษฐีผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อมั่นอันไม่หวั่นไหวแล้วแต่นายกาละไม่ปรารถนาที่จะไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยไม่ประสงค์ที่จะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาเสด็จมาอย่างเรือนของตนไม่ต้องการที่จะฟังธรรมะและไม่ยินดีที่จะ กระทำการขวนขวายให้แก่พระพี่ทุสงฆ์แม่เขาได้ถูกคุณพ่อพูดสั่งสอนว่าลูกจงทําอย่างนี้นะเขาก็ไม่เชื่อถือไม่เชื่อฟังถ้อยคําของท่านเศรษฐีครั้นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ท่านนาถวิตริกาเศรษฐีคิดใคร่ครวนดูว่าการละลูกของเราเมื่อถือทิฐิดื้รั้นอย่างนี้ต่อไปในการเบื้องหน้า คือเมื่อเขาสิ้นชีวิตจะต้องไปเอเวจีนรกเมื่อเรารู้เห็นอยู่ว่าลูกของเราจะต้องไปนรกเราไม่ควรจะปล่อยเขาให้เป็นเช่นนั้นขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ไม่ต้องการทรัพย์คําว่าทรัพย์ก็คือเครึ่งปลื้มใจย่อมไม่มีในโลกนี้เราจะให้ทรัพย์ทําลายความเห็นดื้อรั้นของนายกาละเมื่อท่านนาถาบิติกะเศรษฐี คิดได้ดังนี้แล้วจึงพูดกับนายกาละว่านี่แน่กาละลูกรักลูกจงเป็นผู้รักษาอุโบสถเศีลและไปที่พระวิหารเพื่อฟังธรรมเถิดพ่อจะให้กหาปณะแก่ลู ก, 100ก ห, หนึ่งรกหาปณะนายกาละถามว่าคุณพ่อจะให้กหาปณะแก่กระผมจริงหรือครับธนน า, น า, า, าถมิเดกะเศรษฐีตอบว่า พอจะให้กัหาปณ ะ, ะแกลูกจริงๆนายกาละรับปฏิญญาคือการให้คำมั่นสัญญาสามครั้งแล้วได้เป็นผู้รักษาอุโบสดทศีนและได้ไปที่พระวิหารแต่เก็ดคือการฟังธรรมนั้นเขาไม่กระทำเลยเพราะเขาได้แต่นอนอยู่ในสถานที่ที่มีความสำราญเท่านั้นพอรุ่งเช้าเขาจึงลุกขึ้นแล้วก็กลับไปบ้าน ธนานาถาบิติกาเศรษฐีพูดสั่งคนใช้ว่าบุตรของเราได้เป็นผู้รักษาอุโบสถศีลท่านทั้งหลายจงนำข้าวต้มเป็นต้นมาให้แก่บุตรของเราโดยเร็วฝ่ายนายกะละพูดปฏิเสธยังไม่ยอมรับอาหารที่มีผู้นำมาให้โดยพูดทวงค่าจ้างว่าถ้าเรายังไม่ได้รับกระหาปณะนะจะไม่บริโภคอาหาร ธนานาถมิติกะเศรษฐีเมื่อได้ฟังคำพูดของลูกชายโกตรทนต่อการพูดรบกวนไม่ได้จึงให้หอกหาปณะนะตามที่สัญญากันไว้นายกาละพอได้รับหอกหาปณ ะ, ะไว้ในมือแล้วจึงบริโภคอาหารนั้นวันรุ่งขึ้นท่านเศรษฐีทรงนายกาละลูกชายไปด้วยพูดว่าดูก่อนกาละพ่อจะให้กาหาปณะหนึ่งพันแก่ลูก แต่ลูกต้องยืนตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเรียนบทธรรมะให้ได้หนึ่งบทแล้วกลับมานายกาละได้ไปยังพระวิหารก็คงจะเป็นด้วยการหรือความอยากได้ทรัพย์ที่คุณพ่อจะให้หนึ่งพันกหาปณะนั้นและมาเขาไปถึงพระวิหารก็เข้าไปยืนตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้เป็นผู้ประสงค์ จะเรียนบทธรรมะเพียงบทเดียวเท่านั้นและก็คิดจะหนีไปคือพอจําบทธรรมได้แล้วนี่ก็คิดว่าจะไม่อยู่ตรงนั้นอีกละลำบับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทําอาการให้นายกาละกาหนดบทธรรมไม่ได้เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความเป็นไปของนายกาละหมดทุกอย่างแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงกระทําประการใด ที่จะกระทำให้นายกาละจำบททําไม่ได้ก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องข อ, อยุติเว ล, ลาจากท่านผู้ฟังประเดวเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ